มาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยคอนแก่นคอนกันเคยมาหรือเป่าเคยมามาหลายาครั้งเลยสามครั้งสี่ครั้งสาครั้งเลยมาโดยตรงหรือว่ามาม า, มาพักอยู่แถวนี้ก็นี่มาพักอยแถวนี้ด้วยครับแล้วก็มาที่นี่พักอยูแถวไหนพัทยาไหมสัมหลังนีกี่คน เจ็ด ค, ค, ครับเจ็ดคนครั บ, รบเป็นเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวมีอะไรเจาะจงไหมไม่มีครับอยากจะกลับขอนแก่นเมว่อไหร่วันสองวันมาพักอร์นหรือว่ามาทำเพื่อมาตั้งใจหาจาจัง อย่างนี้ไม่ต้องมากา็ได้มีถ่ายทอดสดทุกวันเคยติดตามไหมประจําอแล้วติดตามภาพกับเสียงกั็นไงพอใช้ไนะด้ะชัดดีครับมองวันก็ไม่ดีมองวันดีทุกวันขอฟังได้อะไรทุกวันเพราะว่ามันบางทีต้นทางดีแต่ปลายทางอาจจะไม่ดีเพราะว่ามันต้องใช้ การถ่ายถ่ายทอดไลายหลายจุดด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ฟังย้อนหลังฟังย้อนหลังยินดีครับถ้าส่วนบางที่มันกระตกุกหรือมันหยุดหีืมันหยุดได้ครับเพราวสัญญาณบางที่ขาดขา ด, ขาดหายหายเพรากว่าจะไปถึงนี้แต่ละจุ ด, ด้ด น, นีงมันต้องใช้ถ้าเธอสถานี้ถ่ายทอดเป็นหลายสถานีได้วยกัน แต่ตงนี้ก็ไปที่ที่ข้างล่างข้างล่างก็ส่งต่อไปส่งต่อไปแต่ก็ยานี้ไปได้รอบโลกทั่วโลกตอนนี้คนอยู่ต่างประเทศกันเลยได้ยานี้เหมือนกับเป็นเป็นประเทศเดียวกัน อย่การคิดกันเจดต่อกันได้อน่ า, าง้ยีการอยากจะถามอะไรไหมเกิดมาทำไมด้วยอาจะรู้ไมมว่าเกิดมาทำไมแล้ ว, วทำไมถึงเรามาเกิดอะไรเกิดเหตุทำให้เรามาเกิดแล้เกิดแล้วเรา ทราทอะไรกันทําแล้วเวลาตายไปเราไปไหนกันนีเคยถามตัวเองเื่อวาเคยเนี่ยเราได้คำตอบไหยก็ยังยังไม่เจอที่แท้จริงก็อะไรทำให้เรามาเกิดแล้วอะไรไปเรา รู้จักตัวเราอะตัวเราเป็นใครตัวเราเป็นร่างกายนี้เหรอแปลว่าเราเป็นเป็นตัวที่มามามาครอบครองร่างกายนี้มาสิงร่างกายนี้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเหรอือเปล่า ไม่รู้เหมัอนกัน้างร่างกายนี่เป็นตัวเราแล้วเวล า, าน่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องตายไปกังร่างกา ย, ยใช่มั้ยถ้าเราตายไปทางร่างกายแล้วเราเรามามาเกิดได้ไหมร่างกายนี้มันเพิ่งมาเกิดตอนที่มีพ้องมีแม่ ที่ยังไม่มีพ่อไม่มีแมร่างกายนี้ก็ไม่มีแต่เราก็ไม่มีนี่เรายังมีอยู่แล้วพอมาเกิ ด, งง ด, กดกแล้วทํำไงดีเกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ท้องใช่ไหมพอมีร่างกายก็ต้องหาเก่ง หาที่อยู่หาที่กินเัินอะไรเราเลี้งปาดเลี้งเท้าไปรอกินอิ่มแล้วก็อยากจะหาที่เล่นนะ อ, อยากจะดูอยากจะฟังด้วยฟังนี่อยากจะไปเที่ยวที่นนอยากจะไปเที่ยวที่นี่บางอยากเที่ยวนี้ไม่ไมไม่ต้องมีใครสอนนะ เวลาก็าอยากจะเที่ยวกันทุกคนเวลาได้ออกจากบ้านนี่ดีใจเวลาอยู่บ้านแล้วใส่ว่ามันเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงพอได้ออกจากบ้านนีเดียวดีใจมีความสุขกันแล้ก็เลยต้องออกออกจากบ้านไปเรื่อย อย่ามาอยู่บ้านนะตอนที่เราเหนื่อยต้องพักผ่อนหลับนอนเป็นเหมือนรงนกขับบ้านเรานี่เป็นเหมนรงกนกเราก็เป็นนกคพอเวลาชาขึ้นมาก็ออ ก, กไปว่างไปหากินอะไรกนันก็ไปหาความสุขกัน ตาหูจมูกนื้งกายเราก็ทำอย่างนี้มาทุกวันหากินหาอยู่แล้วก็หาความสนุกเพื่อเพลินไปกับรูปเสียงกิน่นรสตา่างๆแล้วพอร่างกายแก่ลงก็เริ่มแจไปไม่ไหวแล้วพอเจ็บไายได้ป่วยก็ ไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอตายไปก็หมดชีวิตของเรื่ราก็มีท่าท่านี้เองเท่าที่เรามองเห็นกันพอร่างกายหมดก็เลยไม่รู้ว่ามีเราต่อไปหรือเปล่าเวลาไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายยังไม่ไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอยู่หรือเปล่า เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้กันอย่างเราไม่รู้ว่าเรามีเราอยู่หรือเปล่าเวลาที่ไม่มีร่างกายสองเวลาร่างกายตายไปแล้วเราหมดไปกับร่างกายหรือเปล่าหรือเราไม่ได้หมดไปกับร่างกายก็คิดดูตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนกับเราไม่มีร่างกาย เวลเร า, เรานอนหลับนี่เรารู้ไหมว่าร่างกายเราอยู่ท้องไหนแ ต, แต่เราไม่ได้หายไปกับตามที่เราหลับใช่ไหมเราหลับนี่เรายังฝันได้อยู่เลยเราไม่ต้องมีร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้ผ่านทางฝันได้เล เวลาฝันนี่เราก็ฝันว่าเราไปทำนุ่นทานี่กันเนี่ยตัวที่ฝันกับตัวที่นอนหลับคือร่างกายนี้มันคนละตัวกันไอตัวที่ฝันเนี่ยที่เป็นตัวที่มามาได้ร่างกายตัวที่รู้ตัวที่คิดเนี่ยตัวที่ มารับร่างกายจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาตัวรู้ตัวคิดนี้ก็เลยมารับร่างกายนี้ mm. แล้วก็พอออกมาจากท้องแม่ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นรถโยม พาเราไปไหนมาไหนพาเราไปทำอะไรกันเนี่ยตัวรู้ตัวคิดนี้มีมาก่อนที่จะมีร่างกายแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตัวรู้ตัวคิดนี้ก็ยังอยู่ต่อไปถ้ายังอยากจะทำอะไรกับร่างกายยังอยากจะมีร่างกาย ก็ไปรอรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่เรามีพ่อแม่หลายคนนะเ<ม>พราะเรามีหลายร่างกายร่างกายเราก็มีหลา ย, ลายชาติหลายภาษาชาตินี้ได้เป็นชาติไทยภาษาไทย<ม>ชาตหน้าจะได้เป็นพ่ัเรก็ได้ เป็นนักพิการก็ได้เป็นอาหรับ ก, ก็ได้เป็นจีนก็ได้เป็นญี่ปุ่นก็ได้หรือถ้าทำบาป ก, ก็ไปได้ร่างกายของนกของของกาของสุนัขของแมวของวัวของควายก็ได้นี่คือร่างกายต่างๆ ที่ควงเรามีกันมาในอดีตที่ต้องไปได้ร่างกายของสุนัขของแมวของอะไรนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเคยไปทำบาปมาเราก็เลยต้องไปรับร่างกายของของสุนัขของแมวของวัวของควาย แล้วพอเราชดใช้บาปไปแล้วเราก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์หม่ยแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันมาทําบุญทําบากปกันเลยพอเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนเวลาเรานอนหลับเราก็ฝันไปไปกับความฝั น, นถ้าบุญเป็น ถ้าบุญเป็นตัวพาไปก็จะฝันดีฝันว่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปถ้าฝันร้ายถ้าถ้าบาปพาไปก็พาไปฝันร้ายพาไปเจอแบบเรื่องราววุ่นวายมันต่าชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนความฝัน ฝันในขณะที่ดึงตาและฝันในขณะที่หลับตาฝันในขณะที่ไม่มีร่างกายมันก็ฝันไปพอได้ร่างกายของสุนัขของแมวก็อยู่แบบสุนัข อ, อยู่แบบแมวไปพอได้ร่างกายของมนุษย์ก็อยู่แบบมนุษย์แไปพอไม่มีร่างกาย ช่วงที่ไม่ดีร่างกายก็ฝันไปฝันดีก็ดีไปฝันดีก็มีความฝันไม่ดีก็มีแต่ความทุกนี่คือตัวตัวตัวตัวเราตัวพวกเราอยู่ที่ตัวคิดเนี่ยตัวคิดตัวรู้นี่เป็นตัวที่ ไปทำอะไรต่างๆก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังมีความอยากที่จะทำอะไรต่างๆอยู่ตอนนี้ยังมีความอยากอยู่ไหมยอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่อ่ะถ้าอยากก็ต้องมีร่างกาย เรื่องที่ไม่มีร่างกายก็ ก, ก็อยากก็อยากในความฝันเวลานอนหลับแล้วก็ฝันให้เราไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราอยากทำนะํำก็ทําโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าฝันดีได้อะไรตามความอยากก็เป็นความสุขถ้าฝันไม่ดีได้อะไร ไม่ได้ได้ไม่ได้ทำใจอย่างได้จัดของไม่ดีก็ฝ่อนลายก็ เ, ยเป็นอบายเป็นนรกบ้างเป็นเปรกบ้างเนี่ยตัวรู้ตัวคิดตัวเรานี้มันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนไปตามบุญตามบาป ท, ที่เราทำกัน ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะเป็นเทศกันถ้าทำบุญด้วยการนั่งสมาธิเราก็จะเป็นผรมกันถ้าทำบาปไม่ได้ทำบุญเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานกันเป็นเพศกัน ร่งางกายสบายนะร่างกายไม่ได้ก็เนิ่ น, น, นแค่ร่างกายต่อไปก็เป็นอย่างนี้ของวเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ไม่ายากก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนพวกเรา ให้ลองร่างกายไหมเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่มัไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเพียงตัวรับใช้เราเราเป็นคนใช้ให้มันพาเราไปไหนหมาไหนตอนนี้มัน ยังแข็งแรงอยู่ต่อไปมันก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเฉ่แต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้เราไปผูกใจไปปูกตัวเราไว้กับร่างกาย ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายได้ทําให้เราต้องอดีใจเสียใจไปกับร่างกายเวลาร่างกายแข็งแรงเราก็ดีใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เสียใจไม่สบายใจยแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเรา เราก็จะไม่ดีใจเสียใจไปกับร่างกายถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรารู้เราก็จะไม่ เดือดร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้พอเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยเดือดร้อนไปกับร่างกายท่านนี้เราได้มาเจอคนฉลาดเจอคนที่ค้นพบความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรตา่างๆเราต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถอนออกมาถอยออกมาให้มองร่างกายของเราเหมือนกับเรา่างมองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราเดือนร้อนไ เวลาร่างกายเขาเป็นอะไรเวลาร่างกายเขาแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเราไม่ได้ไปผูกชีวิตของเราไว้กับเขาเราไม่ได้ไปพึ่งร่างกายของเขาเราเลยไม่เดือดร้อน เวลาที่ร่างกายของเขาเป็นอะไรไปแต่เรามาเดือดร้อนกับร่างกายที่เราผูกตัวเราติดอยู่กับมันเพราะเราต้องพึ่งมันเพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆเวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องใช้ร่างกายนี้พาไปที่เราไปเที่ยววันนี้ไปทำอะไรไปหาความสุขกันใช่ไ ถ้าร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้ถ้าร่างกายชราภาพเดินไม่ไหวก็ไปไม่ได้เราเลยต้องวิตกวุ่นวายไปกับร่างกายเพราะเร า, เราอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราพระพุทธเจ้ายัางมาสอนพวกเราว่าต่อไปนี้เราควรจะเลิก ใช้ร่างกายหาความสุขกันมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ทดลองแนละ้วว่าดีกว่าการใช้ร่างกายการหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายก็นั่งเฉยๆอย่างนี้แล้วก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเรา ไม่แต่คิดอะไรอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้เดี๋ยวใจก็จะมีความสุขขึ้นพอใจหยุดคิดใจหยุดปรุงแต่งหยุดทำอะไรต่างๆใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็สามารถทำใจให้มีความสุขได้ พอเรามีความสุขจากการทงใจให้สงบแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ปล่อยมันเป็นไปไม่เดือดร้อนอยู่ก็ได้ไปก็ได้มีร่างกายก็ได้ไม่มีร่างกายก็ได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราใช้ใจเรา มีใจให้ความสุขกับเราตอนนี้เราไม่รู้จักวิธีทำใจให้มีมให้มีความสุขเราต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหยุดความคิดทำใจให้นิ่งเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ถ้ามันวิ่งมันไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามันจอดนี่มันปลอดภัย เวลารถยนต์วิ่ง น, นี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ได้มันจะไปชนกันก็ได้จะไปพลิกคว่ำที่ไหนก็ได้ไปตกเหวก็ได้แต่เวลารถจอด น, นี้มันปลอดภัยแต่ในใจของเราคิดแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมาที่เราวุ่นวายใจแบบนั้นก็เกิดจากความคิดของเราคิดถึงความแก่ก็วุ่นวายใจนะ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็วุ่นวายใจคิดถึงความตายก็วุ่นวายใจคิดถึงเวลาที่เราต้องพัดพากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องไม่สบายใจที่เราสบายใจนันตอนนี้ก็เพราะเราไม่ไปคิดถึงมอนกันเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความแก่ไม่อยากจะคิดถึงความเจ็บไม่อยากจะคิดถึงความตาย ไม่อยากจะคิดถึงการพลาดจากกันแต่การไม่คิดดีมันกลับเป็นโทษกับใจของเราเพราะทำให้เราลืมว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะทำให้เราไปคิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วพอไปเจอความแก่เขาก็จะทุกข์ เจอความเจ็บไายได้ปวดก็จะทุกเจอความตายก็จะทุกนั้นมีสิ่งที่เราต้องคิดพราคิดแล้วมันจะทำให้เราสบายใจสิ่งที่คิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจเราก็อยากไปคิดสิ่งที่คิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจก็คือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย คิดอย่างนี้แล้วจะไม่สบายใจต้องคิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็ไม่ใช่เราเราไม่ต้องไปกลัวมันเราไม่ต้องไปวิตกกับมันถ้าเราเลิกพึ่งมันตอนนี้เรายัางพึ่งมันอยู่เราก็เลยวิตกเราก็เลยกลัวกันกลัวจะไม่มีที่พึ่ง เราอย่ามาเพ่งร่างกายมาเปลี่ยนที่เพ่งใหม่มาเปลี่ยนที่พเพ่งมามาเพ่งใจเพ่งธรรมะที่จะทําให้ใจมีความสงบเพ่งสติผ่านมาฝึกสติกันผ่านมาควบคุมความคิดกันพยายามหยุดคิดกันแล้วก็ ถ้าจะคิดกันคิดไปในทางที่มันทำให้เราไม่วุ่นวายใจอ้าคิดไปนในทางที่วุ่นวายใจก็หยุดมันตอนตอนนี้เราต้องหยุดมันเพราะส่วนใหญ่เราคิดไปในทางวุ่นวายใจนะั่นแหลอยากคิดเป็นอ น, นั้นคิดว่าร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเราคิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย คิดอย่างนี้ล่วมันจะทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราก็รู้กันเห็นกันอยู่ว่าเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกยันทุกคนงนั้นในเรื่องต้นเรามาหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดต่างๆวันๆมันอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป แต่คิดก็เฉพาะเรื่องจำเป็นที่ต้องคิดเช่นเรื่องงานการเวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดตอนนั้นก็ปล่อยันคิดไปแต่พอมันไปนคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่คิดอยากจะอยู่ไปนานๆคิดอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ ว่ามันจะทำให้เราต้องผิดหวังไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ตายเวลาอยากไม่แก่พอแก่ก็จะผิดหวังเวลาอยากไม่เจ็บไข้ไม้ป่วยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะผิดหวังพอตายก็จะผิดหวังก็จะทุกกันเสียใจกันถ้าอยากคิดต้องคิดตามความเป็นจริง คิดว่าเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้ว <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้เราไม่ผิดหวังจะสมหวังพวกเราทุกคนต้องการความสมหวังกันไม่ใหญ่หนะต้องการความสุขความสมหวังก็คิดตามความจริงสิต่อไปเราก็ได้แก่เน่แน่ต่อไปก็ได้เจ็บไข้ได้ปวยแน่แน่ อยากจะเป็นโลกอะไรคิดไปเลยเอามาเรงดีไหมเอาโลกหัวใจดีไหมเลือกเอาได้แ น, น่ๆของที่ได้ น, นี่แน่ก็ไม่เอากันชอบไปลอของที่ไม่ได้กันนะให้หัดมาควบคุมใจเบื้องต้นให้หยุดความคิดก่อนพอหยุดความคิดแล้วเราจะได้มีความสุข โดยที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกายพอนเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วทีนี้เราก็ดูความจริงของร่างกายว่ามันมันจะแก่หมมันมันจะแก่หรือไม่แก่มันจะเจ็บหรือไม่เจ็บมันจะตายหรือไม่ตายดูมันเลยดูให้มันเห็นชัดๆเลยเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราเราไม่เดือดร้อนมันจะแก่ก็แก่ไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายังต้อง เพิ่มมันอยู่ถ้ามันแก่เราทําอะไรไม่ได้แล้วใช่หไหมอย่างกุญยาที่เดินเข้ามานี่ทําอะไรไดแ้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่เดือดร้อนเราก็หยุดความคิดทําใจให้สงบเราก็มีความสุขได้ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านสบายอยู่บ้านพุโทโธพุโทโธไป วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาจะตายก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องใช้ร่างกายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งแล้วเรามีที่พึ่งใหม่ที่ดีกว่าเรามีใจเป็นที่พึ่ง เรามีธรรมะที่ทําใจให้สงบเป็นที่พึ่งธรรมะก็คือพุโทโธนี่แหละทเดียวเนี่ยวิเศษมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทางร้อยล้านพันล้านเวลามีร้อยล้านพันล้านแล้วร่างกายแก่แบบนี้ทำไรายได้กว่าเอาเงินร้อยล้านพันล้านไปทำไรายได้กว่า แต่มีพุโทโธนี่ทำได้ทำใจให้มีความสุขได้ดับความทุกข์ใจได้งน ล, ล น, นล้านล้านพันล้านดับความทุกข์ใจไม่ได้เรามาสร้างพุโทโธกันดีกว่าอย่าสร้างเงินสร้างทองสร้างพุโทโธเนี่ยวันวันหนึ่งหัดทองพุโทโธพุธโทโธไปให้บ้างบ่อยๆ วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่ให้คิดอย่างนี้เรากําลังพูดโธรกันอยู่รึเปล่าลองทําอยูด้วยลองทําพูดโทสักชั่วโมงดูก็ได้ไม่ทําไม่ต้องทำวันเนี่ยลองใช้เวลาสักชั่วโมงเดียวชั่วโมงนี้จะแทนที่จะดูทีวีดูละครก็ดูพุดโธแทนได้ลองนั่งท่องพูดโธไปสักชั่วโมงดูเลยถ้าทําได้แล้วใจจะเย็นจะสบาย มันจะมีความสุขมันมันไม่น่าจะยากเลยนะแค่ท่องพุทโธคำเดียวเนะี่ยนั่งดูทีวีนั่งดูได้เป็นชั่วโมงนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นเป็นทั้งคืนขอให้พุทโธแค่ชั่วโมงเดียวทยําทไม่ได้ลองทําดูสิขอชั่วโมงเดียวเท่านั้น อันไหนว่างๆมันก็จะทำเวลาก็อ่ะนั่งนท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเหนื่อยก็พักเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวพอพอจะคิดก็ค่อยพุทโธถ้าพุทโธถ้ามันไม่คิดก็หยุดพุทโธก็ได้พอใจไม่คิดถึงอะไรก็หยุดพุทโธไปก็ได้ไม่ต้องพุทโธตลอดทั้งชั่วโมงพุทโธเฉพาะบรรามันจะคิดถึงถึงถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงขนมนมเนี่ยคิดถึงกาฟนะงกาแฟอะไรนเวนี้ยก็หยุกมันเพราถ้าปล่อยให้มันคิดนะเดี๋ยวมันจะอยากเดี๋ยวก็อยากกินกาแฟอยากดื่มกาแฟอยากกินขนมกันนะของดีจริงแล้วก็ของง่ายไม่ใช่ยากนินตรงนั้เด็กก็พูดได้หนูพูดพุดทธโตได้นะง่ายก็ไปกอไก่ขอไข่นะ ก็กายก็ข่ายนี่มีต้องหลายตัวใช่ไหพุทธโธมีแค่ตัวเดียวนี่พุทธโธพุทธโธไปลองทำดูรับลองได้ว่าจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะพบกับอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อนของดีๆของมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านอยู่ที่พุทธโธนี่แหละลองท่องกันดู พุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธไป <c oughs> แล้วใจจะเย็นใจจะสบายแล้วต่อไปก็จะมีความยินดีที่จะพูดโธมากขึ้นไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวนี่ต้องใช้เงินใช่ไหมเวลาไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้วเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็ลองใช้พุทโธแทน นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป <Yeah. S 1> อย่าไปสนใจกับอะไรทนะั้งนั้นอะไรจะมากระทบทางตาหูจหมูกลิ้นกายแนละทางความคิดก็อย่าไปสนใจแห้เกาะอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป <Yeah. S 1> ถ้าทำได้าใจจะเย็นใจสงบ <Yeah. S 1> พอหยุดคิดแล้วมันจะมีความสุบมาจะรู้สึกเบาอบเบาใจสบายใจ แล่เราจะรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่มีเงินเราก็มีความสุขได้แมีความสุขดีกว่าการใช้เงินทองไปซ้มไปใช้เงินทองหมดก็ต้องไปหาเงินมาใช้ต่อเวลาหาเงินนี่มันสนุกมามมันสุขเวกทุกเวลาหาเงิ น, นถึงมีวันหยุดใช้เงินเงี้ยวันหาเงินนี้ไม่เคยมีใครอยากจะไปทำงานเัน แต่จาเป็นต้องไปเพราะไม่ทำก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีเงินใช้แต่พอหาเงินมาได้เทา่านี้ต้องหยุดใช้เงินก่อนนะใช่ไหมใช้เงินหมดก่อนหมดแล้วก็ไปหาใหม่แล้วพอร่างกายหาไม่ไหวทำงานไม่ไห ว, วจะหาเงินที่ไหนมาใช้ไ่น ลองใช้พุโทโธดีกว่าเนะี่ยนี่พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นใครสามารถท่องพุโทโธพุโทโธได้จะมีความสุขลองสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นั่นท่องพุโทโธสักชั่วโมงได้บ้าถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็แล้วถ้ามันคิดก็ต้องพุโทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงขนมน ม, นมเนยอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นเน ว่าเคลดับี๋ยมันอยากมันจะอยากไปหาขนมนมอะไรอยากจะไปหารูปเสียงกงลิ่นมาพออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นศุแล้ะนั่งเวลานั่งก็นั่งสบายก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องนั่งพับเพียรหาก็าี้มานั่งแล้วก็นั่งท่อพุโทโธไปเพื่อลองเดียว อย่าให้ไปคิดอะไรให้คิดอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเราจะเห็นความแตกต่างภายในใจของเราขึ้นมาใจที่วุ่นวายใจที่นิ้ตกกังวลอะไรต่างๆนี้มันจะหายไปขึ้นมาข้างบนก็ได้นะข้างบนมีที่ว่างาข้างหน้าก็ได้ข้างน้นก็ได้ วันนี้ฝนฟ้าอากาศมันมืดครึ้มทางบ้านก็อย่าบ่นว่ามันมืดนะว่ามันเป็นธรรมชาติมันมืดไม่เป็นไรนะขอใหเสียงมันชัดก็แล้วแต่เพราเราฟังเสียงกันภาพมันก็เหมือนกันดูมาเท่กากันมันก็คนเดียวกันหน้าตาเดียวกัน ฟังเสียงกันีเช่วงนี้เป็นช่องที่ดูฝนของภาคตะวันออกตวันออกนี้จะมามีฝนมากช่วงตัวลามีเกืบทุกวันมีแค่เดือนเดียวเนนะี่ยที่นี่ส่วนใหญ่คนจะตกมากช่วงเดือนตุลานนีอเดือนเดียว แล้วนั่นก็จะตกแบบเดือนเดือนละครั้งสองครั้งก็จะมีมาบ้าง mm hmm. แต่ถ้าจะตกแบบประจำเกือบทุกวันนี้ก็เป็นเชื่้าตัวลาานะอากาศมันก็เลยมืดครึ้งพรข้าขงบนเราไม่มีไฟฟ้าเราไม่มีไฟ mm hmm. แต่ก็ไม่จําเป็นอะไรเพราเราไม่ได้ดูภาพกันเราฟังเสียงกัน เสียฟังเรื่องการการหาความสุขที่เราจะสามารถหาได้ตลอดเวลาคือความสุขทางใจหาได้ตลอดเวลาไม่ว่ารวยหรือจนก็หาได้ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็หาได้ ไม่ว่าจะจะแก่หรือหนุ่มก็หาได้จะเจ็บไายได้ป่วยจะเป็นจะตายก็หาได้ขอให้เรามีพุโทโธเท่านั้นนะขอให้เรารู้จักใช้พุโทโธเท่านั้นนะเราพูดภาษาเรายังพูดกันได้พูดใบนี้พูดลายยาวเหยียดเลย ทำไมพูดพุทธโทอย่างเดียวพูดไม่ได้ครับท่องพุทธโทพุทโธไปภายในใจถ้มันเป็นนิสัยเวลาไปคิดเรื่องไม่ดีก็หยุดไปพุทโธพุทโธรไปเวลาโกรธใครเนี่ก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปลับรองได้ห้านาทีสิบนาทีก็หายกรธนะเวลาโลภอยากได้เราก็พุทโธพุทโธไป เดี๋ยวก็หายโลกถ้าจะให้หายหลงองก็ต้องมองความจริงมองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามองว่าของที่เราพึ่งอยู่ตอนนี้เป็นของช่วค่าวพึ่งไม่ได้ร่างกายก็พึ่งไม่ได้รับสมบัติเข้าของเงินทองแตกต่างก็พึ่งไม่ได้สามีภรรยาก็พึ่งไม่ได้ เราทุกคนเดี๋ยวก็ต้องมีวนันพลาดพลากกันต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายให้หมองความจริงให้คิดตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้ไม่ไปพึ่งสิ่งที่จะพึ่งไม่ได้ต่อไปให้มาพึ่งในสิ่งที่เราพึ่งได้สิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือความสงบที่เกิดจากการท่องพุโทโธพุทโธนี้ลองท่องไปสพุโทโธพุโทโธไป เอาจริงอาจาังสักชั่วโมงไม่ได้ไปพิสูจน์ดูืูว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี่มันมันจริงหรือไม่จริงนี่คือการมาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในโลกนี้ เราก็จะไปเห็นว่าเราต้องพึ่งาลาบยศสรรเสริญต้องพึ่งเงินทองต้องพึ่งตาแหน่งต้องพึ่งคำสรรเสริญเย็นยอยอกย่องต้องพึ่งเสียงูกเสียงกลิ่นลดต่างต่างต้องพึ่งร่างกายเพราะ ก, การจะห า, าลาบยศสรรเสริญหารูกเสียงกลิ่นลดได้ก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกาย ก, ายก็หาไม่ได้ก็ต้องพึ่งร่างกาย แต่ของพวกนี้มันขึ้นไม่ได้ตละะอดเงินทางบางเวลาก็มีบางเวลาก็ไม่มีมีมาก็มีไปได้ตําแหน่งก็มีขึ้นมีลงได้มีเปลี่ยนไปได้มีหมดไปได้คาสรรเสริญก็กลายเป็นคําตำหนินินทาว่าด่าว่าก็ได้ลูกเสียงเกแล้ว ก, ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ รูปที่ดีก็กลายเป็นรูปไม่ดีไปเสียงที่ดีก็กลายเป็นเสียงที่ไม่ดีไปกลิ่นที่ดีก็กลายเป็นกลิ่นที่ไม่ดีไปกลิ่นอาหารเวลาอยู่ในจานก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาเป็นอยู่ในช่วงก็กลายเป็นกลิ่นอีกอย่างมันก็กลิ่นเหมือนกันเราไปชอบกลิ่นที่ดีพอไปเจอกลิ่นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบขึ้นมา รูปเสียงกลิ่นรสมันก็เปลี่ยนไปจากดีกาเป็นไม่ดีรูปอาหารเวลาอยู่ในจานก็น่าดนะูเราก็ไปเคี้ยวในปาก้วน่าดูไหมลองคายออกมาดูเลยเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันน่าดูไหมรูปของอาหารมันก็รูปอันเดียวกันนะี่แหละเราก็เป็นหลงยินดียินร้าย ก, กับมันไปสุขไปทุกข์กับมัน เราคิดว่ามันสุขแต่เรามองไม่เห็นว่ามันทุกข์เรามองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นเเวลาเห็นรูปในอาหารนี่โอ้โหน้ำลายหลกันเลยใช่ไหมอยากจะสัมผัสอยากจะกินกันพอถ่ายออกมาจากในร่างกายแล้วก็อยากจะอยากจะล่าช่วงเร็วๆ <c oughs> <c oughs> มันก็อาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละมันก็รูปของอาหารกลิ่นของอาหาร นนในรู้ว่าของที่เราไปหลงนี่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่เหมือนเดิมเวลามันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ทําให้เรากลายเป็นความทุกข์ไปความสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปฉะนนอย่าไปอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นความสุขปลอความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาให้พึ่งความสุขจริง เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็คือความสุขจากการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปลองทําดูสักชั่วโมงหน่งดูไว่าจะเป็นยังไงนั่งเฉยๆ ห, หลับตาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งก็อี้ก็ได้นั่งแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะสบายขึ้นทันที เคยโกรธใครก็จะเลื่อนไปเคยเกลียดใครก็จะเลื่อนไปเวลาอยู่ก็พุโทโธมันจะเลื่อนทุกอย่างเพราะมันไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองพอไปคิดถึงเรื่องที่เราเกลียดก็ทําให้เราไม่สบายใจพอเราหยุดคิดเราก็จะหายจากความไม่สบายใจยความสบายใจไม่สบายใจเกิดจากความคิดของเราเอง เราเตงเต้ามาควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดในทางที่ทําให้เราไม่สบาจจยใจให้มันคิดในทางที่ทําให้เราสบาจจยใจให้มันคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าเบื่อพุทธโธก็เปลี่ยนเป็นธรรมังสารนาังกระฉามิก็ได้เป็นธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือพุทธังสารนังกระฉามิธรรมังสารนังกระฉามิสังขังสารนังกระฉามิไปก็ได้ เปลี่ยนบ้างก็ได้ถ้าเบื่อพุทธโธให้คิดอยู่กับเรื่องอย่างนี้ให้คิดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ันนีแล้วใจเราจะมีความสุขจะสบายใจจะสุขใจแล้วนองไปทำกันดูนะถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นธรมของพระพุทธเจ้านี้ต้องเอาไปปฏิบัติ เพยงแต่ฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้เห็นของจริงเพียงแต่เห็นภาพของมันที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ได้เป็นของจริงเป็นเหมือนดูดูโฆษณาเวลาเราเขับราไปตามท้องถนนนี่ก็จะมีติ้าโนโฆษณาขายบ้านขายรถขายอะไรต่างๆมันยังไม่ได้เป็นของจริงถ้าอยากจะได้สินค้าที่พระโฆษณาก็าต้องไปที่ร้านที่เขาขาย แล้วก็ไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็จะเห็นได้ของจริงที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำนี้ก็เป็นเหมือนการโฆษณาเราถ้าว่าการได้สินค้าที่พูะเจ้าขายล้าก็ต้องไปซื้อการซื้อสินค้าก็ไม่ต้องใช้หนัเพลงแต่เอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองเอาไปคิดเอาไปคุดโทกันเอาไปท่องคุดโทคุดโทกัน รับรองว่าทำได้ถ้าไม่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นก็มาเอาเงินคืนไปเลยเงินที่บริจาคนี้เอาไปคืนกันหมดไดถ้าหาว่าเราโกหกหับกลวงแล้วต่อไปยังไม่ต้องใช้เงินเวลาอยากจะมีความสุขก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวใจก็เกิดความสุขขึ้นมา แ้วเป็นความสุขที่สะอาดไม่มีพิษมีภัยความสุขจากการดื่มชรลาเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายความสุขจากการกินขนมน ม, มเลยเดี๋ยวก็เกิดโรคเบาหวานโรคความดันเงินความสุขที่เกิดจากการท่องพุทโธพุทโธนี้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเดียนไม่ต้องเสียเงินเสียทอ อะไรจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วในโลกนี้พุโทโธนี่ดีที่สุดแล้วแต่กลับไม่เอากันชอบเองของไม่ดีกันชอบเอาของที่เป็นพิษกันกินแล้วก็เป็นโรคมะเร็งกันกินแล้วก็เป็นโรคพิษสุราแบบยืดดือ้อสูบแล้วก็กลายเป็นโรคทุงอถุงป่งพองขึ้นมาเนี่ยพวกเรากําลังไปหายาพิษกันแต่กินสารพิษกันกินแล้วก็เป็นมะเร็งกัน ของที่ไม่เป็นมาเลยไม่เอาพูดโทรพูดโทรเนี่ยแสนจะดีแสนจะวิเศษไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องแย่งกันไม่เหมือนกับสินค้าต่างๆนี้อันไหนถ้ า, ถ, าถ้ามีน้อยยังแย่งกันเลยบางทีเหยียบกันชนลมุนกันไรกัไปแย่งซื้อสินค้ากันเวลาก็าลดราคากัน คือเวลาสินค้าใหม่ๆออกมา p อ o n e ออกมานี่โอ้ยไยืนแยกกันเสียเงินเสียทองแล้วก็เดี๋ยวก็มาเสียความรู้สึกพอใช้ไปทักตาผ่านหายแล้วถูกขโมยไปนื่เสียหน่อยก็เสียความรู้สึกหมดและของต่างๆมันจะต้องมีความให้เรามันจะต้องทำให้เราเสียความรู้สึกไปไม่ช้าก็เร็วเพราะของทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมคนบางคนไปซื้อรถอยนต์ามาซื้อมาแล้วก็เจอแต่ปัญหาต้องเอาเข้าอยู่เรื่อยสามันดีสี่เป็นข่จะขอเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้บางทีต้องไปทุบรถเลยสุกแล้วไม่สุกแล้วทุ ก, กันที่ว่าซื้อรถใหม่แล้วจะมีความสุขแล้วตั้งมาทุบรถกันให้วุ่นวายทำไม เพราะของมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่ถาวรที่เหมือนเดิมของทุกอย่างที่เราได้มาเนี้ยมันจะมีแต่เร็วลงไปเรื่อยเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยเื่อไม่มีวันที่จะดีขึ้นกว่าเดิมไม่มี <_ t une> ของทุกอย่างที่เราได้มานี้มีแต่จะเร็วลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปหาอะไรเลยในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุกเสียงทุกอย่าง มีอย่างเดียวที่ไม่เป็นอย่างนี้มีแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆก็คือพุทโธนี้ถ้าทําพุทโธไปใหม่ๆก็ดีแค่นี้พอทําต่อไปก็จะดีมากขึ้นไปสองเท่าสามเท่าสี่เท่าถ้าเราทำเจงทําได้ทั้งวันนี้โอหมันก็พุทโธมันก็ได้ความสุขไปทั้งวันเลยต่อไปก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าสุขไปทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดว่างหย่าง เราไม่มีวันหมดนัานตายนี้ตายไปความสุขในใจก็ยังมีอยู่ต่อไปเพราะพระพุทธเจ้ายังอยู่กับความสุขบรลมังสุขขังอยู่เลยบาลมัสุขเพราะใจของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตายเหมือนกับใจของพวกเราแต่ใจของพวกเรามันมีแต่บร ม, มัทุกข์เพราะเราไปหาของเปลี่ยนพิษมาให้ใจเราไมได้ไปหาของที่มาทำให้เราเสียความรู้สึกกัน ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเรื่อคนได้แฟนมาก็สุขดีใหม่ๆแล้วนะเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์เสียความรู้สึกกันนะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วนะเดี๋ยวก็จากกันยังอยากได้หาเลยของต่างๆในโลกนี้มันจะต้องทำให้เราเกิดความเสียความรู้สึกขึ้นมาไม่ช้าก็เลย และอาจจะทำให้เราถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าเสียความรู้สึกมากๆก็จะไม่อยากอยู่อยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะอยู่ไปทําไมนี่เป็นผลของการที่เราไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับว่าถ้าเราหาพุโทโธนี้เรารับรองได้จะไม่มีโทษเหล่านี้ต่างมาอจะมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสุขไปตลอดเวลา24ชั่วโมง เจ็ดวันต่ออาทิตย์สามสิบวันต่อเดือนามร้อหกสิบ้าวันต่อปีจะไม่มีวันไหนที่จะไม่มีความสุขเลยจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เขามีความสุขเหมืนอนเดิเพราะเรามีพุโทโธที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายดังนั้นขอให้เราเอาไปใช้กันดูนะ ขอใหดลองแค่ชั่วโมงก่อนลองสินค้าเนี่ยขอให้ไปทนลองสินค้านี้ชั่วโมงก่อนแล้วกันแล้วถ้าไม่ดีก็มาเอาคืนมาเอาเงินคืนไปทำเงินเอามาถ้าหลายเดียมามากคืนก่อนที่เอาไปไม่ได้ <c oughs> แต่รับรองนะมันไม่มีใครจะมาเอาคืนนะเพราะสินค้านี้เป็นของแท้ของจริงได้รับการี่สวดมาอย่างโชคชนนะ พระองหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์สินค้าของพระเจ้ามาแล้วว่าเป็นของแท้ของจริงไม่มีใครมาไม่มีพระอรหันตองไหนมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี้โกหกเลยไม่มีใครมาบอกว่าธรรมของพระเจ้านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงไม่มีเลยพระอรหันทุกบรูปได้จำเอาแต่รับรองว่าของแท้ของจริงมีอย่างเดียวในโลกนี้เท่านั้นคือธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของแท้ของจริง เป็นอาการวิต ก, กไม่เสื่อมไปกับวันเวลาของต่างๆในโลกนี้มันเสื่อมไปตามวันตามเวลาแต่ธรรมะของพระเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาเป็นของแท้ของจริงสามารถท่าให้ผลให้ผลที่เราต้องการได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยพพุทธการแล้วยุคนี้คำสอนพระเจ้าก็ให้ผลเหมือนกัน แไม่ต้องนังเลยสงสัยขอให้นี่เอาไปปฏิบัติกันเพราะเวลาของเรานี้ไม่แน่นอนเราจะตายกันเมื่อไหร่เราไม่รู้เดีย๋ยวเราตายไปเราก็จะไม่มีโอกาสได้มาทดเราสินค้าอันยิเศรก็<ม> ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลายาอนันมโมทนาให้ถอนใจเยอะเท่าหไหร่นะ แปดสิแล้วครับก็อายุมากขอพระพุทธเจ้าแล้วหละตำไรแล้วมั้อดรอคเ้าก่อนรตัวแมไปตัวมนเลยทะรตัวแมไมหอบงไม่ได้ เป็นไงซูเปอร์แมนดีจ้าดีจ้าดีจ้าดีจ้าตามตาคุณแม่รูปแบบคุณแ่ขคครับแจกที่ไหนจกกรุงเทพเลยครับชื่อเอร์ใช่ครับชื่อซเอร์มใช่ อยากจะหอมนะอาจารย์ครับอย่างเราบริการพุโทโธพุทโธไปเนี่ยครับแรกเริ่มเนี่ยต้องอยู่ที่ฐานจิตก่อนเลยป่ะครับหรือไม่ไม่มทำบริการแล้วแลอย่างนี้รอย่างนี้จิตจิตเรากับพุโทโธเนี่ยเนี่ยมันจะรวมกั น, นมารวมกันเลยลครับล้พุโทโธกับจิตรวมก็จะรวมกัน อตอนในมันมีคุณาพอไร่คือคืมีอาจารย์พุทธช่างบอกว่าเอากภพตารมเนี่ยคือจิตอยู่ในรูปเป็นหลักนะครับรูปเวทนา ส, สัญญาสังขารวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราจิดพุโทโธเนี่ยจิตเราก็อยู่ในแอยู่ในสังขารไม่ได้อยู่ใ น, <i> ใ, น, ใ, นในรูปครับมันอยู่สังขารไง เาย่สังขารนั้ก็จะกลับเข้าไปในในตัวครับอนี้ตัวสังขารนันทำให้เจ็ดออกไปทางตาผมจุดหนกับครับเวลาเราคิดเราคิดแต่หารูกศิลป์ถิ่นรัดเราก็ใช้พุทโทเดินขับเข้ามาครั บ, รบเพราะฉะนั้นเราบริการพุทโทพุทธ้ทอยู่ตรงไหนก็ได้<า>ที่อยู่ในกายนว่หรอกไม่ต้องอ ย, อยู่ที่คำพูดนั่นแหละ อยู่ที่คำพูดไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําว่าพุทโธให้รู้อยู่กับคําพุทโธพุทโธไม่ต้องไปอยู่ตรงเปลไม่ต้องไปอยู่ตรงท้องไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วลมหายใจก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจอยู่คําบาลีคำม่าเราควยอนี้เราอยู่ตรงไหนเวลาเราควยเราต้องยู่ที่ความคิพุทโธนี้ก็เป็นความคิดแล้วก็หย่าต้องพุทโธไปคือให้อย่าไป คิดเรื่องอืนอ่นใชมเพราะความคิดเรื่องอืมันจะเดินให้ใจออกข้าง น, นอกครับถ้าที่อยู่พุโทโธมันจะเดินให้กลับเข้าข้างในออกที่อย่งนี้จังหวะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเนี่ยต้องพุโทโธให้คําบริกรรมมันหายไปเองไหมครับหรือว่ามันไม่หายหรอกถ้าเราหยุดมันก็หายแล้วก็พุโทโธไปมันจะหายก็ต่อเมื่อมันตกหลมตกบอ่อ<ม>ถ้ามันตกหลุมตกบอ่อแล้วมันก็หายไปมันจะใจี่ง ว่าชัางก็คือเกาะคํำเมื่อไรคำพูดโทไม่ว่าอยู่ตรงก็เกาะไปเรื่อยๆนั้นถ้าอยากพูดโทได้น้องพูดโทไปอย่าไปคิดว่าให้เราตกหล่นตกหมอนมันไม่ถ้ามันมันจะตกมันตกเองแล้วมันจะรู้เองว่ามันไม่พูดโทมันหยุดเกิเลยคือลดเบรกนี้อคือตราบที่เราหนึบพูดโทได้ก็นึบหนึอไปเรื่อยๆหนึไปเรื่อยๆครับไม่ว่าถ้าเราอยากจะหยุดแล้วถ้าเราไม่คิดอะไรก็พักพูดโทไว้ก่อนก็ได้พอมันจะขึ้นแล้วก็พูดโทไปได้ครับ เราต้องผ่านคุมความคิดเท่านั้นเองไม่เป็นไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆครับเราคิดแล้วมันจะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันจะไม่สงบพอไม่คิดแล้วมันก็จะสงบและก็จะมีความสุขเรอจริงๆไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรในร่างกายไม่ในที่ไหนอันนี้คันหนึ่งนวมิตรศาสนาอันนี้คันแรกนี้ต้องการให้ใจหยุดคิดเท่านั้นเองต้องการสมถะต้องการความสงบต้องการความนิ่ง คนละคนละขั้นตอนอื ม, อมขั้นตอนที่สองนี่ังจากจิตนี่มีพลังแล้วค่อยไปคิดทำปัญญาที่ว่าน่าการนี่น่าเกลียดไม่น่าดูอยงนี้นครับคิดขั้นต่อไปอืคนลภาพถ้าเป็นโรงเรียนก็ชั้นประถมกับชั้นมัธยมคถ้าเรียนจบให้ประถมก่อนแล้วค่อยไปขึ้นชั้นมัธยม ก็คือตอนนี้เราพูดโทกไปเรื่อยๆทางใจให้รวมให้ได้ก่อนให้จิตสงบก่อนให้สักแต่เรารู้เป็นเอกภตารวมให้ได้ก่อนพอจิตพอจิตสงบในความสบแล้วทีนี้ก็สามารถพิจารณาความจริงได้อ่ามันจะได้เองรู้ด้วยตัวของตัวเองเลยหรือเปล่าครับไม่ได้ต้องมีคนสอนเพราะมันถ้ามันถึงขั้นต่อไปถ้าไม่บอกมันก็ไม่ไปนั่นเองต้องเสียมันต้องมีคอยครูคอยแนะนําครับ ตอนต้องานเรียนกอดไก่เขาถ่ายไว้ก่อนครแต่พอต้องกอดไก่ได้แล้วก็มาหัดสะกดจระจระอาต้องมีคนสอนเป็นขั้นขั้นไปแต่ตอนนี้เราเรียนกันรอบสิบขั้นพร้อมกันถ้าเราก็เลยเอามาปนกันในหมดเวลาเรียนมันเรียนสิบขั้นแล้วก็มาปนเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติปนกันในหมดมันก็เลยไม่ได้เรื่องสักอย่างเราจะตอนต้นก็มาหัดกอดไก่เขาถ่ายก่อนทำท่านมาหัดพูดโทรก่อนอิเล็กรรอนิกส์ไปก่อน พูดถอยแล้วพันจิตให้มันนิ่งให้มันหยุดคิดก่อนถ้ามันเกื้อลงไปแล้วตกวบลงไปอันนั้นมันก็จะหยุดพูดถอยถ้ามันยังไม่หยุดแล้วก็พูดโอยไปเรื่อยๆหรือถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องพูดโธยก็ได้ลองดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าเราหยุดพูดโธยแล้ไม่คิดแล้วก็อยู่กับความว่างของจิตอยู่กับความไม่คิดไปพอมันคิดก็พูดถอยไปเบรกเบรกความคิดไว้เรื่อยๆเหมือนรถอะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ขยับเราก็ไม่ต้องเหยียบเลย พอมันเริ่มขยับล้วก็เยียบเด็กไปตอนนี้เราเมันกลังวิ่งอยู่แล้ต้องใช้พุโทโธอย่างมันพอมันหยุดแล้วเราก็หยุดพุทโธไวไ้ก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่รวมก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่คิดเราก็หยุดพุทโธได้พอมันเริ่มคิดเราก็พุโทโธชั่วกมันตัดชัวขาดคิดไปต่อไปเราจะได้ควบคุมความคิดได้ไ ง่ายตายาเป็นยาครับแต่ใครอยากจะถามอะไรมห้ยากครับเรากำหนดรู้ในพุทธคุณเก้ากับการภาวนาว่าขุดโถเนี่ยเขาอที่งยาต่างกันอย่างไรหรือตัดความสืดเรื่องครับคือการรู้เพราะพุทธคุณต้องรู้ความหมาย ไม่ใช่รู้แต่คำสวดรู้คำแปลรู้คำหมายถ้ารู้ความหมายเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นึซเราจะได้มีศรัทธาที่มากขึ้นจะทําให้เรามีความมั่นใจต่อาการปฏิบัติมากขึ้นดังการการที่เรารู้จักพกระพุทธเจ้านี้จะทําให้เรามีศรัทธานในการปฏิบัติตามคำสั่ของพระพุทธเจา้าแต่เวลาภาวนาบางสิ่งมันใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้เราหยุดความคิดให้ได้เราจะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ การใช้อะไรอย่างเดียวมันจะมันจะมันจ ะ, นจะดีกว่าเพราะถ้าเราใช้พุทธคุณนี่มันจงต้องคิดอยู่มใช้ความคิดไปกับพุทธคุณผมชอบพุ้งซ้านนะครับผมฟุ้งซ้านมากผมก็จะเล่นพุทธคุณก้าวเลยก็ทําให้หายได้ใช่ไหมถ้าหายได้ก็ใช้ไปใช้ไปแล้วพอหายฟุ้งแล้วก็ลองลองลองเพ่งดูลงเฉยๆก็ได้แล้วพุทโธอย่างเดียวก็ได้ผมว่าก็จะกําหนดรู้เหตุที่เกิดทุกนะครับ คืออยากจะให้มันนิ่งซะ ก, ก่อนอย่าเพิ่งไปกําหนดอะไอยากให้จิตนั้นนิ่งเฉยๆอยู่อยู่เฉยๆโดยไม่มีความคิดเป็นเวลายาวๆให้ได้ก่อนนั่งเฉยๆแล้วไม่คิดอะไรสบายสบายใจอยากให้เป็นอย่งนั้ไปก่อนแล้วค่อยมากําหนดรู้อะไรต่างๆเพราะถ้าเราไปกําหนดรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปกรดู้นเรื่องเรื่องอิหนหรือเรื่องเงินเรื่องทองขึงข้นมามันก็ มันก็ไม <c oughs> ่เงียบนะก็กำดรู้ในปฏิจจสมุปบาทแล้วครับอมันก็แล้วแต่นะมันรู้แล้วมันต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปรู้น่ไปรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่รู้เพื่ออะไรรู้เปล่ารู้เหื่ของการเก็บหมาครับนั่นเองแล้วหยุดมันได้เปล่า ก็พอทําได้ครับทำยังไงก็ถึงว่าเราโอดชัยนี่เราเราเห็นเราได้ยิงไม่ได้ฟังในอายัดตนะติดสองนี่มันเป็นเหตุครับถ้าเรารู้แล้วเรางวิามันเป็นเหตุอแล้วเราหยุดคลางโกดได้เปล่ะก็ทุเราครับมันก็ต้องหยุดให้ได้ถ้าจะรู้ว่าว่ามันเป็นธรรมดาของโลกการทำแปะปากการอะไรอย่างนี้ยครับก็เลยต้องมันไม่พ้นนะครับ ก็เลต้องหยู่คือทําไปเป้าหมายก็คือให้หยุดความทุกข์<ม>ต้นเหนตุของความทุกข์ก็คือความอยากใ น, นที่สุดก็ต้องมาหยุดความอยากให้หมดเนียยังอยากรูปเสียงกินก็อยู่ก็ป่าก็<ม>าต้องหยุดมันถ้าจะดู ปฏิจยส ม, มุปบาทก็ต้องดูตัวนี้ดูตัวตัณหาความอยากแล้วต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อคดูดูแลเดี๋ยวก็อยากเห็นกาแลก็อยาก โซนาก็อยากยกยกวางๆอยู่ยกตะก้าวยกข้าฝาก่อนแล้วค่อยวางเทข้าฝาก่อนแล้วยกยกวางนี่แหละถ้าอยางั้นก็อย่าไปดูให้เสียเวลาเลยมันดูแล้วต้องทิ้มันต้องทุบขวดเหล้าทิ้งได้ทุบทิ้งไปเลยถ้ามีเหล้าอยู่ในขวดจะเทมันออกไปเททิ้งไปเลย มีบุรีในกระเป๋าอะไเอามาโยนทิ้งไปเลยอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทต้องเป็นแบบนี้เขใจไหมีกรรยาก็ยกให้คนอื่นไปเลยหรือเขาเขาไม่เอาเขาไม่ไปไรนก็ไถ้า <laughs> ไม่เอาก็ให้าจะไปไหนก็อยู่ของเขาแต่เราไม่เอาแล้วเราเราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์นะเราต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไงปฏิจจ ส, ม, สมุปบาทนี่ให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ ถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขอย่ยก็ยังไม่เห็นจริ ง, งก็อยากจะมีอยู่ครับคือก็ส โ, โลแกนของผมก็ว่าคิดเองมันเป็นเรื่องของโลกอ่างโลกทิ้งโลกเป็นสุขเป็นอิสระจากโลกโดยแท้ผมก็ส โ, โลแกนของผมก็อย่างนี้นครับอก็ยัง คำพูดได้แต่การปฏิบัติมันใด้แค่นี้นิดหน่อยการต้องในจุดเริ่มต้นนะที่ว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นกันแล้วคุณเจมก้าเดอนครับก็ขอให้ทําให้มากๆจะไปไกลมันต้องไม่ไม่อย่าไปดูที่ปฏิจจสมุปบาทเพราะเราไม่มีกําลังไปเราต้องมาสร้างกําลังเอาพุทโธนี่แหละเป็นตัวกาลังถ้าเจ็บมีพุทโธแล้วจะมีกําลังทิ้งทุกอย่างได้ เพ้คุณข้ามขั้นตอนไปคุณไปดู เ, เห็นทุกเห็นอะไรนะแต่คุณไม่มีกําลังที่อยจะทิ้งมันไม่มีกําลังเหมือนทหารเนี่ยเขาบอกแล้วว่าข้าศึกศัตรูอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ให้คุณกินข้าวแล้วส่งคุณออกไปสู้ในสู้เข้าไว้นะต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมกินข้าวพักผ่อนหลับนอนกิานอาหารเตรียมอาวุธยุทธธีประกอให้ พ, อพรอเพอบอกฆ่าศึกศัตรูอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไปเลย ให้ฆ่ามันเลยต้องมีกําลังปลาวุขใช่ต้องมีกำลั ง, ง, ลงกําลังหยุดความอยากให้ได้ตอนนี้มันหยุดไม่ได้มันเห็นทุกอย่างเป็นทุกแต่หยุดมันไม่ได้กําลังอยู่ครับใชอยากติด ไ, ไหนก็ได้ติดได้ก็พยายามไม่น้อยลงเ อ, อก็ยังเขาว่าพยายามมาแสดงว่ามันยังไม่มีกําลังถ้ามีกําลังมไม่ต้องพยายามก็ละไปเลย ยังยังตักไม่ได้ก็เพราะไม่มีทรมนึงท่านบอกให้มาสร้างพุโทโธอย่าไปดูปฏิจจาให้เสียเวลาให้มาพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วทีนี้แหละพอเห็นปฏิจจามันก็จะมันก็จะทำได้ทงขัง้นตอนไปว่าไงทางีง้ไม่ร้อยปีก็ไม่มีวันทาได้ มัก็พยายามอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่มีแรงสักทีเพราะมันไม่มาสร้างกําลังขึ้นมาเหมือนส่งทหารไปรบไม่ให้มันกินข้าวส่งไปทีไรก็แพ้เขา้ามาเสีต้องให้มันกินข้าวให้มีกําลังก่อนจีพอาทานนี้กินข้าวมีกําลังแล้วก็ไปสู้กับเขาได้ใจของเราตอนนี้ไม่มีกําลังไปสู้กิเนเหรียญได้ <c oughs> กาลังอยู่ที่พุโทโธอยู่ที่สมาธิ แล้วพองค์ทำไมถึงหาอยากเราทำไมท่านจึงบอกว่าให้เข้านในทีวีเว้ยนะครับก็เพื่อไปหาความสงบไงถ้ามันอยู่ที่ใกล้ๆภรรยาใกล้ๆลูกใกล้ๆทีวีมันจะมันจะถูกไอ้พวกนี้ดูดไปหมดนะเดี๋ยเห็นตู้ก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าเอห็นทีวีก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรดูว่าแบบก็จะโดนครอบงาเออ แต่ตั้งไปอยู่ที่ไม่มีไปอยู่คนเดียวอยู่ในการอยู่ในป่านปิดวิเวกให้หาจากรูปเสียงเก่งลดเพื่จะได้สร้างพลังจิตขึ้นมาดึงจิตให้เข้าข้างในจิตจะมีพลังต่อเมื่อมันเข้าข้างในเข้ามารวมเป็นสมาธิอัง น, นั้นแหละเป็นพลังของจิตจะแข็งแกร่งยี่กาก้อนหินมีพลังมากกว่าก้อนหินแล้วการบวชที่บ้านเหรครับบวชที่บ้าน หมายถึงถือศีลที่บ้านบวชใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบวชที่ไหนก็บวชได้ขอให้มันทําให้ได้หรึเปล่าถ้าทําไม่ได้ทําแค่วันสองวันทําแล้วมังทําไม่ตลอดถ้าทำแค่เฉพาะวันพระ อ, อีกหกวันมันทับไม่ไม่บวชก็บวชไปเสียเวลาหรือเปล่ า, าการสมาทานศีลที่จำเป็นนีกี่ข้อคือคาว่าสมาทานก็คือให้เราไป ให้เราหนึ่งให้เราไปถามพระว่าสิ่งมีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ว่ามีสิ่งมีอะไรก็ต้องไปหาพระไปหาคนที่รู้พอเรารู้แล้วว่าสิ่งมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปหาพระก็ได้เราอยากจะรักษาสิ่งเมื่อไรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาละวันนี้ค่ะพระเจ้าจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพยประพฤติผิดตัวเวณีโกหกหลอกลวงเดินสุรายาเมาแค่นี้ก็จบละอเจตนาเกียรติยั้ไงครับเออไม่ใช่เจตนาคือ คือจุดเริ่มต้นของการมีสี่งการมีสี่งก็คือต้องรักษาเวลาอยากจะฆ่าก็ต้องไม่ฆ่าเวลาจะโกหกก็ไม่โกหกเวลาจะเดือดุ่นชราก็ไม่เดือดรุ่นชราิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาทำรวมทำบวชถ้าสมาทานเสร็จกลับบ้านก็เป็นเดือดุ่นชรานี้มันก็สมาทานไปก็ไม่แกิดปอยู่์อะไรสิ่งอยู่ที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่การสมาทาน การสมาทานเป็นการเพียงตั้งเป้าตั้งหลักว่าวันนี้จะทําอย่างนี้นะพอถึงเวลาก็ไม่ทํานี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยคนที่ก็ไม่รู้ว่าศีลมีอะไรก็เลยต้องไปถ า, ามพระไปขอศีนจากพระเคยคิดว่าเราไปขอศีนพระเนี่ยถ้าพระองค์นั้นไม่มีศีนเยจาีติีไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่ศีนใครศีน ม, มันให้กันไม่ได้ ไอ้ทีนศีลนี่ให้ไปไปถามว่าศีลมีอะไรไปศึกษาไม่ได้ไปขอศีลเหมือนี่ไปของเงินขอทองไม่ใช่ยนนะั้ไปขอถามถ้าที่ไม่มีศีลก็แสดงว่าไม่รู้เสียว่าศีลห้ามมีอะไรบ้างใช่ไหมการที่ไปหาพระนี่เหมือนไปหาครูอาจารย์อยากจะรักษาศีลจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องไปถามคนที่รู้พอรู้แล้วเราก็ต้องมาทําเอง ไม่ใช่กอรับศีลจากพระนะแสดงว่าเรามีศีลแลยังไม่มีพระเป็นบอกทางบอกบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างครั้งต่อไปคุณก็ไปรักษาสิถ้าอยากจะมีศีลก็ต้องรักษาตอ <c oughs> นต้นเคยทาที่บ้านก่อนก็ยังต้องทำหมากิกนเรื่องปากเรื่องท้องอยู่แต่พอทําไปมากบ่อยๆขึ้นจะเห็นว่าดีก็อยากจะไปทําที่วัด แล้วต่อไปก็จะทิ้งบ้านไปอยู่วัดเลยเพราะการมีสิ่งนี้มีความสุขมากกว่าการไม่มีสิ่งก็เคยคิดว่าการไม่มีอะไรเลยในโลกเนี่ยประเสริฐอย่างพรอาจารย์นะครับก็ทาไม่ทำนะก็ไม่มีกาลังเลยนะอย่างนี้อยากเรื่องความอยากไม่ได้สครอบำลังอยู่กับเพราะเจตให้มีพุทโธ จะมีพุโทโธแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลังสู้กับความอยา ก, ยากนะกลับมาพุโทโธดีกว่าเชื่อเถอย่าไปปฏิจจาสมาบุญไปเลยก็ร่างกายเอาวนๆแบบนี้นะครับเออเอากองก่ยของ ข, ข, ขายให้ได้ก่อนเนี่ยเพิ่งไปสะกดไปเขียนเลยพอเบื่อตรงนี้ก็เอาตรงนั่ น, น, นมันก็เลยมันมัววัดไป <laughs> <laughs> ชคแต่เข้าทีไรก็แพ้ทุกทีเลย เรี่อหมกมกุ่นนะครับมุมนในความดีก็ยังดีกว่าผมมุ่งนนกย่างอก่าก็ถูกถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูก <c oughs> ไม่ว่าวไม่รู้จะพูดยังไงบอกแล้ว <c oughs> เอาเล่นรูปนี้นครับางทีเพราะว่ารูปนี้ไปก่อนนะครับบางทีโรคโรลงก็บอกว่าให้ละครับผมไม่ต้องละก็ได้โรคบุญกุศลไป โกรธก็โกรธความไม่ดีทั้งหลายหลงหลงในวิชาวความรู้ของพระเจ้าเอาแบบนี้ครับผมมันพูดได้ทำได้ <c oughs> เป่ะก็เป็นคำพูดครับแต่ก็ใครมีปัญญาหยิบยกเอาไปใช้ก็ดีครับอตอนนี้ให้ทางบ้านเขาถา ม, มบ้างไหมประธานครับอสอบถามพาว่ามาสิครับ เคยฟังพระสูตรเรื่องเจลาสูตรดนะครับฟังแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่กินเจนะที่ที่เจราสูดได้กินเจไหมไมใช่ครับรรทีพพ่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระพิสุนะเรื่องไฟไหมที่สีสารครับเออ<า>แล้วพระพิสุ ต, ต่างต่างก็ก็อตอบว่าควรจะดับไฟหาทางดับไฟนะครับ<า>แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าควรจะนึกถึงอริยสัจสี่ก่อนครับเพิผมฟังเท่ของพระอาจารย์ก็เลยนึกว่าเปรียบเทียบ่ ที่อาจารย์บอกว่าพอจิตสงบเนี่ยก็จะเห็นพวกตัวอย่างขึ้นมาเลยครับ อ, อแล้วก็ไม่ทําตามความอยากเออมันก็เป็นหนึ่งในอนิจจสติใช่เพราะว่าถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดไฟลุกขึ้นมาในใจเนี่ยจะดับไฟใ น, ในใจก็ต้องดับที่ความอยากบช่างเปรียบเทียบ ว, ว่าไฟที่ไหม้ผมให้เป็นความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจต้องไปดับต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาความอยาก ็นเรื่องถุกใจไม่เกี่ยวอะรทุกทางกายที่ได้นะครับใช่แล้วเรื่องที่สองนะครับก็อยากจะได้ศึกษาธรรมะหรือลองผิดลองถูกมาบ้างนะครับก็เก<ๆ>็บเที่ยมในตอนวัยเด็กที่เราเรียนอจาจจะสาขาทั้งเพื่อนเกี่ยววิยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็นึกย้อนไปว่า เ, เ, เช่นที่เขาสอนเรามาให้เรียนเช่น สูตรไอสไตล์มั่งอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเหมือนยิ่งใหญ่ทางโลกนะฮะ<ช>แต่ว่ามันก็ไม่สามารถดับถูกได้<ช>นะครับเส่วนทางธรรมก็คิดว่าดับได้อยู่แล้วเพ<ช>ียงแต่ว่าพอมาถึงตัวเองเนี่ยอยากจะอธิบายรุ่นเด็กๆหรือรุ่นลูกอย่างเงี้ยฮะว่า<ช>จะรู้ทางโลกก็ได้ทางทางธรรมก็มาคัพวเวอร์<ช>จะทํา <c oughs> ให้เจริญมากกว่า <c oughs> แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเคยได้ยินอะไรก็สูตรบอกว่า วิชาทั้งโลกต่าง ๆ, างๆเช่นกรารปกครองหรือคณิตศาสตร์หรืออะไรก็ตามมันเป็นเดรชาวิชา <kalk. S 1> นะครับก็เลยอยากจะให้ัเรียนความเมตตาของประอาจารย์ช่วยอธิบายให้ถึงใจว่าเอ๊ะที่เรียนเรียนกันอยู่เนี่ยนะฮะดูเหมือนยิ่งใหญ่นะครับพลังอะไรเยอะแยะกับทานะครับควรจะศึกษาหรือว่าเน้นทางด้านไหนนะครับความรู้ทางโลกมันก็ทให้ใจเดินทางว่าถ ที่เราเรียนาีาเพื่อมาสร้างวัตถุ ก, กันเพื่อเราจะได้กินอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายแต่ไหนมาไหนได้สะดวกรวดเล็วอันนี้คือผลที่เราได้จากการมีความรู้ทางโลกมีจรวดมีเครื่องบินมีอะไรต่างๆเนีน่แต่มันก็ไม่มาทําให้ใจเราหายทุกได้ใจเรากลับไปทุกข์กับมันที่เดินทางขึ้นเครื่องบินก็กลักวจะตกนะคร ก็จะตกก็ทุกข์แล้วอยู่บนเครื่องมันก็ทุกข์อะไถ้ามีธรรมะนี่มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะธรรมะจะสอนว่าการเกิดมาเป็นเรื่องเกิดมาแล้วต้องตายแต่เป็นธรรมดาที่ทุกข์เพราะไม่อยากตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมตายสิพอยอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆแค่นี้แหละ เมื่อวานนี้นักปริยาศาสตร์เนี่ตอนนี้กําลังรับรางวัลโนโบงโนเบลอะไรนี้ยังกลัวตายทนะ่านนั่นแหละถามว่กลัวตายนะอยากตายนะไม่มีใครอยากตายทุกข์กับความตายนะทุกกันท่านนั่นกนะ็ไม่มาศึกษาธรรมะพวกนี้ถ้าศึกษาธรรมะป่านนี้เขาบรรวุเป็นพราอรหันต์กันไปหมดแนละพวกนี้เก่งจะตายไหมแต่อวิชางตีเหล่มัมนหลอกให้ไปศึกษาเรื่องอื่น ท่านี้มาศึกษาเรื่องที่เป็นประโยชน์มาอนกับเห็นเป็นเรื่องงมงายไปพวกนักวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าพวกศาสนานี่เป็นความงมงายเป็นความเชื่องมงายก็เลยไม่สนใจที่มาศึกษาไปศึกษาเรื่องที่เขาพิสูจน์ได้ทางตาทางตาภูจมูกจีนกายแต่เรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยใจนี่เขาไม่รู้จักวิธีวิธีที่พิสูจน์ท้ากาเล็งท้าการเล็งไม่เชื่อ แต่ใ น, นสไตล์ก็ยังเขาก็ยังอยอมรับว่าความรู้ของเขาเนี่คือความรู้ของจเจ้เจ้าไม่ได้ย <c oughs> ันความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ช่วงผัวตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์แต่ความรู้ทางธรรมนี้ทําให้เราลอดพ้นจากความทุกข์ได้ยั น, นสมัยโบราณก็าถึงไม่ต้องไปศึกษา ปิญญงปิญญาเนเขาเรียนที่วัดเนี่ยปฏิบัติที่วัดครูบาอาจารย์บางลูกเนี่ยท่านไม่ไจบไม่ได้ไม่ได้เรียนปอลหนึ 1, ่งปอสองที่ได้ท้ำไปแต่ท่านกับบรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์ mm hmm. เนี่การศึกษาทางธรรมนี่ก็ไม่ต้องใช้หนังสือใช้ปาก mm hmm. ปากตระบอกปาก mm hmm. บอกกันเหมือนพ่อแม่สอนลูกนี้ สอนภาษาเนี่ที่บ้านต้องมีหนังสือให้ให้ลูกเรียนเนี่ยว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างไงแล้วก็พูดไปพูดไปเดี๋ยวมันก็ฟังมันก็หัดพูดตามมาไปสมัยมุเจ้าสอนธรรมบ้างก็ไม่เห็นมีหนังสือเแล้วก็สอนหลอกเนี่ยอริยสัจสี่เอาไปเวลาทุกข์ใจก็ไปค้นดูว่ากําลังอยากอะไรอยู่พออยากก็ไม่ได้นานใจก็ทุกข์ก็อยากไปอยากแนละ้ใช่ไม่หมดเรื่อง อยากไม่แก่มันแก่มันก็ทุกข์กวเลยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ประหยากให้มันไม่แก่แก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็จะไม่ทุกข์ก่อนง่ายๆคำสอเจ้านี้เหตุกับผลเดี๋ยวจะให้คําถามเขาถามลงนยะอะเข้ามาค <c oughs> ําถามจากคุณสุพรณ์ ได้ฟังเทพพระอาจารย์ให้ท่องพุทโธไปเรื่อยสักหนึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าให้ท่องในจิตใช่ไหมคะถ้าลืมตาได้หรือเปล่าคะเพราะถ้าปิดตาจะเผลอหลับค่ะก็ปิดตามันจะดีกว่าเดี๋ยวเปิดตาแล้วเด็กพวกก็จะไปคิดตามสิ่งที่เราเห็ น, หน <c oughs> ถ้าปิดตามันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรมาเบ่งให้เราไปคิดหลับหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพุทโธก็ได้ เวลาเดินพุทโธก็อย่าไปมองอะไรให้มองที่เท้ามองที่ทางเดินเดีย๋ยวจะเดินไปเหยียบอะไรเข้าให้พุทโธพุทโธไปทําไมนั่งชั่วโมงมันจะหลับ ท, ทันทีแล้ยเวลานั่งทําอย่างอื่นไม่เห็นมันจะหลับเลยนั่งดูทีวีไม่รู้ผิดเท่าไหร่มันนั่งดูได้พอจะมาให้นั่งพุทโธแค่ชั่วโมงนี้จะจหลับเลยนะโอ้แต่ตายแล้ว่างนี้ก็อย่าไปทำอย่าไปปฏิบัติตเลย <c oughs> คำถามจากคุณนางฟ้าญาติที่ล่วงลับไปแล้วรอบุญที่จะไปเกิดอยากทราบว่าบุญที่เกิดจากการภาวนา น, นั่งสมาธิแล้วเรออุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปบุญตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นพลังแบบไหนคะเขาถึงสามารถไปเกิดได้ก็เป็นความสุขเป็นความสุขเป็นอาหารของใจทาให้เขามีความสุขเขาก็จะพ้นจากจากสภาพของเขาที่กาลังทุกข์อยู่กาลังหิว คำถามจากคุณวชิรพง์ถ้าเราไม่สามารถไปทำบุญกับพระท่านได้โดยตรงแต่เราบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเปรียบเสมือนเราทำโดยตรงกับท่านหรือไม่ครับบุญจะมากกว่าหรือน้อยกว่าการที่ไปถวายกับมือท่านโดยตรงก็เท่ากันน่ยอยู่ที่ปริมาณของเงินเนี่ยถวายเท่าไรล้รับกับมือหรือโอนเข้าบัญชีนั้นก็เหมือนกัน คำถามจากคุณแบงค์ข้อที่1ถ้าเราปล่อยปลาใสแล้วเราเห็นนกกระยางมากินปลาที่เราปล่อยจะบาปไหมครับนกกระยางบาปเราไม่บาป ต, าตัวที่คนที่ฆ่าตัวที่ฆ่านะบาปตัวที่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้บาปข้อที่สองถ้าเราปล่อยปลาชนิดไหนแล้วเราห้ามทานปลาชนิดนั้นจริงไหมครับทําไมนะ่เลย นอกจากว่าถ้าเราปล่อยปลาตัวนั้นแล้ว เ, เราไปจับปลาตัวนั้นมากินก็อย่าไปกินเลยเขาคงหมายความไว้เงี้ยไหมปล่อยปลาตัวไหนแล้วอย่าไปจับมันมากินนะแต่ถ้าเป็นปลาตัวอื่นที่ตายแล้วจะกินก็ไม่เป็นไรคือความหมายก็คือว่าอย่าไปฆ่าปลาเราปล่อยปลาแล้วเราอย่าไปฆ่าปลามากินถ้าเราอยากจะกินปลาก็ไปซื้อปลาที่ตายแล้วที่เขาฆ่าแล้ว <S <S ที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย คำถามจากคุณซินีตอนที่เป็นมนุษย์มีการทํางานหาเงินทองอยู่และยังเป็นนักบุญอยู่ควรทําทานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นนักบวชคือสละทรัพย์ไปทั้งหมดแล้วจึงไม่ต้องทาําทานส่วนศีลสมาธิปัญญาก็ทําต่อเนื่องทั้งนักบุญและนักบวชคิดอย่างนี้ถูกไหมคะถูกในวันน่าบุญมันจะได้ทําได้น้อยกว่านักบวชและเป็นนักบวชมันก็จะมีเวลาเต็มที่ เป็นนักบุญมันก็มีเวลาน้อยเพราะยังต้องไปทำมาหากินไปเที่ยวไปเล่นกันอยู่เรไปเป็นนักบวญก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นนะใน้นักษาสิงจะเดินสมาธิปัญญาตลอดเวลาคําถามจากคุณสิทธิศักดิ์พระที่อธิเป็นพระธาตแสดงว่าพระธาตนั้นเป็นพาาระอรหันต์ใช่ไหมครับใช่ คำถามจากคุณพุทธคนทําอาชีพพุทธพาณิชย์เช่นตั้งสํานักตั้งอุทยานทราต่างๆแล้วนําเงินบริจาคมาใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ถือว่าบาปไหมคะไม่บาปหรอกมันก็เป็นอาชีพอย่างนึงขายพระก็เหมือนขายจุ๊กตานคนซื้อก็เหมือนกัไปซื้อตุ๊กตามาแต่เนี็นแต่เชื่อว่าเป็นพระที่ว่าเป็นของมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ใช้มาลปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้ขโมยขึ้นมันก็เป็นความเชื่อเนทะ่านั้นแต่ความจริงมันก็เป็นตุกตาเท่านั้นเองนะเป็นวัตถุที่ไม่มีความสามารถอะไรแม้แต่พระก็จะรูมยังรักษาตัวเองไม่ได้นะถูกโจมมะตัดเสียงไปขายในเยอะแยะมนะันเป็นเพียงวัตถุเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นสินค้า มเมื่อเขาทำมันไม่ถูกกฎหมายมันก็ไม่ิดกศีลธรรมอะไรคำถามจากคุณทัศนีพ่อแม่ควรใช้หลักธรรมอะไรที่จะแนะนำเด็กรุ่นใหม่ให้ทันกับสื่อออนไลน์หรือกระแสะสังคมเช่นสี่ห้ากาลามาสูตรกราบขอบพระคุณค่ะให้มีสติแล้วก็ให้มีปัญญาต้องใช้สติปัญญาเวลา บริโภคสื่อต่างๆนี้ต้องอย่าไปเชื่อทันทีทันใดเวลาเห็นเวลาได้ยินอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอซอย่าไปปฏิเสธเอามาพิสูจน์ก่อนว่าเท็จจริงอย่างไรใช้หลักการมาสู่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคสื่อต่างๆนี้พระอจาสอนว่าอย่าไปเชื่อเพราะเข้าว่ายอย่างนั้นอย่าไปเชื่อเพราะคนนี้ก็เป็นอาจารย์ อยาไปเชื่อเพราะว่าเชื่อกันตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เอามาพิสูจน์ดูก่อนคาถามจากคุณเกษราลูกสาวชอบทากับข้าวให้พ่อแม่กินเขาจะได้บุญไหมคะแล้วเราต้องอนุโมทนาบุญกับเขาไหมคะได้ก็ลูกลูกทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเป็นการกระทําที่ดีเป็นความกตัญญูกตวเวที ล้วก็ควรจะอนุโมทนาแสดงความยินดีสนับสนุนเขาว่าทำนี้ไปนะั้ดีแล้วคำ ถ, ถามจากคุณวาสนาลูกมีความสงสัยว่าถ้ามีคนตายสวดสามคืนนิมนต์พระสองวันสวดวัดละหนึ่งจบแต่ตอนเช้าลูกหลานไม่นิมนต์พระมาฉันเช้าเลยแต่ไปใส่บาตรหน้าบ้านเพราะพระท่านเดินผ่านอยู่แล้ว อย่างนี้คนตายจะได้บุญได้กินอาหารไหมคะเพราะที่ลูกเคยเห็นเขาจะต้องมิมนพระมาฉันอาหารเช้าแล้วถวายอาหารสวดอุทิศให้คนตายค่ะหอบุญทำกับใครก็ได้ทำบุญกับพระที่สวดก็ได้ทำบุญกับพระที่ไปบินฑบาตก็ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญที่เราอุทิศส่สงไปได้เหมือนกันเหมือนกับไปโอเงิน้าสาขานี้ก็ได้สาขานุ้นก็ได้โอนไปมันก็ไปได้เหมือนกัน จ ะ, จะต้้้ออองนนททีี่่่สาาาข <c oughs> ย, ยูใกบคำถามจากคุณการชนะเคยเข้าร่วมอ่านสาธายายพระไตรปิฎกแบบโดยบังเอิญสาธายายเป็นบาลีข้าพระเจ้าอ่านบาลีแบบไม่ผิดเลยและรวมกลุ่มอ่านตามจนจบตามกำหนดใช่เป็นสัญญาิเดิมตัวที่ติดมาหรือเปล่าคะ ก็อาจจะมีสติดีมั้งอ่านหนังสือแล้วไม่ไม่ผิดเลยแสดงว่ามีสติถ้าไม่มีสติสตางนี้อ่านผิดผิดถูกๆใช่ไหมอ่านปลายใจก็ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ก็เลยอ่านผิดไปอ่านไม่ถูกก็ได้แต่ถ้ามี ส, สติจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือทุกตัวนี้มันก็จะอ่านได้ถูกต้องใครอยากจะถามอะไรไหม มีมาด้วยกันไงแ้วก็แลนบอกมาเจ็ดคนหายไปไหนหมดไปรอที่อยนสามสี่คนสามคนเจ็ดนีเน็ตมได้ค่ะกลัวลบกลัวอะอย่างเงเด็กยวร้องยังไงมาคุ้มเหนื่อยม่มาต้องการคุมนะแค่หน้าวาจาก็คุ้มแล้วค่ะคุ้มเลยอกติดูกต่ทางทางการเน็ตก จะมีอาไรถามแม่แกนเทพนั่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวกลับไปแล้วจะไม่ได้ถามอยู่บ้านเ้าก็ถามถามทาง น, น, นีคเขาเรื่ อ, องต้มากเลยใช้ชื่ออะไรน้ำ ม, มนต์อะไรอะไรบายอ่ะค่ <laughs> ะคำ <Bron ien> ถามจากบุญแถวนะภาทําบุญตอนอารมณ์ไม่ดีจะได้บุญไหมคะได้ทาเวลาไหนก็ได้เพราะเวลาทําแล้วอารมณ์มันก็จะดี คำถามจากคุณเฟิร์นหลวงปู่ศิมบอกว่าการสวดมหาสมัยสูตรเป็นมงคลเทวดาจะมาอนุโมทนามีมีนี้เรามีฐานะปุถุชนถ้าเราสวดชุมนุมเทวดาต่อด้วยมหาสมัยสูตรต่อด้วยธรรมจกกักรกปาฏสูตรและมักมีองค์แจะมีเทวดามาอนุโมทนาและฟังธรรมที่เราสวดให้ฟังหรือเปล่าคะ อันนี้เราก็เมรู้เหมือนกันเราคนสวดต้องรู้แต่สวดแล้วถามเทวดามาฟั ง, งบ้างว่าป่าเนี่ยคําถามจากคุณขวัญถ้าการทําบุญใส่บาทแล้วไม่ได้กวดน้ําจะถึงผู้ตายไปไหมคะเคยอุทิศบุญนี่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ไม่มีให้อุทิศภายในใจเรทําบุญแล้วเราก็ตัง้งคิตอธิษฐานว่า อ, อนทิ่โอติ์บุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเขาก็ได้รับแล้วถ้าเขารอรับอยู่ไม่ต้องูีนะ้ำคำถามจากคุณสัญญาผมเคยบวชมาแล้วสองครั้งครั้งแรกปีสี่ศูนใช้ลาบวชสมเดือนปฏิบัติตลอดสมาธิดีมากศึกมาหนึ่งถึงสองเดือนสมาธิก็เสื่อมแต่ก็นั่งมาตลอด บ้างน้อยบ้ามากบ้างน้อยบ้างปีห้าเจ็ดพักร้อนไปบวชอีกสิบห้าวันวัดเดิมก็ปฏิบัติแต่มีปัญหากระดูกเข่าเสื่อมหมอห้ามนั่งยอยองและคุกเขา่าปีหกหนึ่งผมกเกษียณอายุราชการอยากบวชอีกแต่เกงจะปฏิบัติมีหนึ่งหรือห้าหนึ่งวะมีไม่มีแค่ห้าเก้ามีะคีห้าหนึ่งผมเกษียณอายุราชการอยากบวชอีกแต่เกงจะปฏิบัติกิจไม่ได้คบ เช่นลมปฏิโมกหรือเดินเท้าไกลๆคุกขเข่านานๆอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับว่าควรเลือกวิธีไหนปฏิบัติอยู่บ้านหรือลุยบวทไปเลยถ้าบวชแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ก็อยากไปบวช ด, ดีกว่าเรามันจะทำให้เราด่งางเราทำให้มันไม่สำเร็จผลเน่เราก็ควรที่จะปฏิบัติในเพศคาวาะไปไดูกว่า เเป็นทางว่ามันก็สามารถที่จะทำอะไรได้สะดวกสบายกว่าง่าย ก, กว่าการเป็นพระการเป็นพระนี่มันต้องมีการสำรวมต้องมีการกระทำอะไรที่เหมือนเหมือนกันพอเราไปอยู่กับเขาแล้วเราทำอะไรไม่เหมือนกันมันก็จะทำให้เกิดความแตกแยกสามารถขีดได้เะฉนถ้าเราไม่สามารถาปฏิบัติตามก็ อนาธรรเนียมประเพณีของพราได้ก็อย่าไปบวชด่า ป, ปฏิบัติที่บ้านหรือปฏิบัติที่วัดแต่เปนุ่งขาวห่มขาวแค่ีท่นะ้มีใครอยากจะถามัยข่าวังคดังๆเลการสวดมนต์ น, น่ค่ะจำเป็นต้องสวดเสียงดังไคะอ๋อไม่จาเป็นละคนจะสวดทางใจจะดีดกว่า แต่ได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็จิตจะไม่ไม่ต้องทํางานมากสวดไปภายในใจจิตจะ ส, สงบได้เยอะได้มากกว่าการสวดด้วยการออกเสียงอนอกจากว่าเราก็อยู่กัไปอยู่ที่เขาสวดออกเสียงแล้วก็ต้องออกเสียงไปกับเขาถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ควรที่จะออกเสียงตอนหนึ่งจะไปรบกวนชาวบ้านเขาเปล่ า, าอสองทําให้จิตเราต้องใช้ต้องทํางานต้องบังคับให้ร่างกายออกเสียง จิตก็จะต้องยังต้องทํางานอยู่แต่ถ้าเราสวดโดยที่ไม่ต้องออกเสียงก็จิตก็ไม่ต้องไปทํางานบังคับให้ร่างกายออกเสียงจิตก็จะนิ่งได้มากกว่าสงบได้มากกว่าแบบนะั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านดวงนามเสียงที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นีพิ่อจะนำไปปฏิบัติ เพื่อความศรัทธาเจริญก้าวหน้าในคำยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ